26. คนทุกคนก็มีสิทธิ์บำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าแม้ผู้ใดยอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองบ้างก็ย่อมได้ไม่สงวนลิขสิตคนทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนอยู่แต่ว่าผู้ใดจะสามารถสั่งสมบารมี โดยการทำกรรมด้วยตนเองซึ่งก็คือภาคเพียรปฏิบัติสั่งสมบารมีกรรมให้เป็นของตนเองด้วยตนเองกรรมมัสกะจนกระทั่งสามารถภาคเพียรสั่งสมโลกุตระธรรมใส่ตนเองได้ครบบริบูรณ์สมบูรณ์ถึงขีดขั้น อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งให้ได้เถิดกรรมก็จะสั่งสมผลวิบากที่เป็นอรหัตตาอรหัตตานี่หมายความว่าความเป็นตนที่ไม่ลึกลับแล้วสำหรับตนผู้ได้บรรลุอรยิยสัจอันคือความจริงอันประเสริฐ นั่นก็คือความรู้ในความเป็นอัตตาที่ตนได้ศึกษาปฏิบตัติสั่งสมความเป็นโลกุตระธรรมใส่อัตตาของตนมาแล้วนับตั้งแต่อรหัตตาที่เป็นความไม่ลึกราบขั้นโสดาบันผู้สามารถดับอัตตาในอบา ย, ยภูมิของตนได้สำเร็จจริง ก็ไม่ลึกลับในความเป็นอัตตานั้นๆแล้วตามภูมิตนสูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาเพิ่มขึ้นและดับความเป็นอัตตาได้สิ้นเกลี้ยงไปอีกตามลําดับผู้นั้นก็ยิ่งไม่ลึกลับอรหะ ในความเป็นอัตตายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกถึงขั้นเป็นอรหันต์ยอดสุดแห่งความไม่ลึกลับก็นับว่าจบบริบูรณ์แล้วสำหรับความลึกลับในอัตตาของตนไม่ต้องศึกษาอีกสำหรับตน ก็มีแต่จะยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาของผู้อื่นในลักษณะอื่นที่ตนไม่เคยมีไม่เคยเป็นมาก่อนเท่านั้นซึ่งมีอีกมากๆส่วนการดับสิ้นอัตตาที่ตนอาศัยในความมีร่างกายไปอย่างเป็นขั้น ปลายสุดท้ายแห่งความมีอัตตาในพบไหนๆอีกปริโยสารไม่ปรารถนามีอัตตาอีกแล้วอัปะนิหิตะผู้นั้นไม่สร้างความเป็นอัตตาของตนไว้ต่อไปอีกแล้วอัปะนิหิตะ โดยมีเจตนาดับสิ้นสุดท้ายความมีชีวิตร่างกายหลังจากกายแตกตายไปจากร่างนี้โดยตัดสันตติภายในของตนก่อนสิ้นใจโดยไม่ตั้งกิจต่อตัดสันตติก็ปรินิพานหมดอุปธิอย่างสิ้นรอบเป็นปริโยสารเด็ดขาด ไม่มีอัตราหรืออัตราภาวะของผู้นี้ในที่ใดๆอีกเลยนิรันดร